เกิดความอาลัยเกิดความวิตกหรือถ้าเกิดของที่มีมันเกิดแปรเปลี่ยนไปก็เศร้าโศกคนรักจากไปก็ขับแค้นรุมอกกุมใจอันนี้เพราะว่ามีความยึดอยากนะที่สวนทางกับความจริงและที่เป็นฉะนั้นกระเพาะความหลง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 เศร้าโสกเสียใจแล้วก็ถามหลวงตาว่าทำไมคนรักจึงทิ้งเขาไปทำไมเขาถึงไม่สมมองในเรื่องความรักหลวงตาก็ไม่ได้ตอบตรงๆแต่บอกให้ชายหนุ่มคนนี้ลองลืมตาโดยที่ไม่กระพริบตาสัก5้านาทีสิลองทำดูซิแล้วมันเป็นยังไงชายหนุ่มนี่แกก็ลองทำดูนะ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 แต่ถ้าเราต้องการพยายามที่จะตึงร่างกายให้อยู่ในท่านี้ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นความทุกข์ทำให้เกิดอนิจจังนะทุกข์ครั้งทําให้เกิดอนิจจังแต่ถ้าปฏิเสธอนิจจังเนี่ยก็ยิ่งเกิดความทุกข์มากขึ้นนะความคับแคลนความขัดเคืองนะรวมทั้งความอาลัยอาวรณ์ต่างๆเป็นต้น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 มะเล็งเัีไม่ได้ทาให้ทุกข์ใจมะเล็งไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นสาแห่งความความทุกข์ถาเจอกระเพื่อว่าเนี่ยมะเล็งไม่ได้ทําให้รอยยิ้มหดหายไปความทุกข์ใจต่างหากที่เป็นตัวธรรมอันนี้หมายความว่ายอย่างไงนะก็หมายความว่ามะเ็งเนี่ยมันทาได้ยางมากก็คือทําให้เกิดความทุกข์ในทางกาย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 มะเร็ไม่ เ, เป็นเรื่องของกายนะส่วนความทุกข์ใจเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากจิตใจที่ไม่ยอมรับความจริงซึ่งทศ า, าต่อไปที่ไม่ยอมรับความจริงก็เพราะว่ามันมีความยึดติดถือมั่นนะในในร่างกายนีนะ้แต่การที่เขาได้พยายามนะใช้ธรร ม, มะเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะในการในการไต่ตรอง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 เพื่อยื่นขยับอะไรไม่เคยได้เลยจะยกมือก็ลําบากกลายเป็นภาระของครอบครัวต้องมีคนคอยดูแลจนตั้งเธอเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้ว่าอยู่ไปทําไมนะนอนนิ่งยิ่งกว่าคนเป็นอัมาพาตอีกคนอัมาพาตที่บางทียังยังพอจะขยื่นขยับอะไรได้บ้าง แล้วก็ยังสามารถอยู่ในอาการนั้นไปเรื่อยๆแต่การมืออ่อนแรงเนี่ยมันก็จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆแต่ตอนหลังเนี่ยเธอเกิดแรงบันดาลใจนะเกิดไฟยาเนี่ยอ่านนิยายให้ฟังถ้าเกิดอยากจะเขียนนิยายบ้างแล้วจะเขียนนิยายยังไงเอานิ้วจิ้มพิมพ์ดีดนิ้วจิ้มคีย์บอร์ดแป้นแป้นพิมพ์ก็ไม่ได้ต้องงอ น, นิ้วนะ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 อาศัยจินตนาการนะนะ ส, นสร้างนิยายขึ้นมาจากจะเราปลายนิ้วก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขียนนิยายจากจากนิ้วที่ต้องงอนะเพื่อจะพิมพ์แป้นแ้าเธอพูดเนี่ยว่าเนี่ยความทุกเนี่ยมันให้อะไรกับเราเนี่ยมากกว่าความสุขความทุกเนี่ยมันทําให้ได้รู้จักตัวเองนะทําให้ได้เห็นความจริง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 เราจะรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกอย่างรอบได้นี่ก็ต้องต้องเห็นมันก่อนแต่ถ้าเราเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยก็ริ่งจมเข้าในความทุกข์มากขึ้นถามว่าทำไมถึงเป็นทุกข์นะก็เพราะว่าหลงแต่พอเราออกเอาดึกจิตออกมาดูแลออกมาพิจารณาความทุกข์เนี่ยปัญญาจึงจะเกิดขึ้นได้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 การตอบว่าดาทาของเขาไม่ใช่ทุกข์เพราะโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวแต่มันเกิดขึ้นเพราะหลงไม่รู้ตัวเพราะใจอาจจะเป็นึกไปถึงวันที่กำลังจะตายท่านั่งที่ร่างกายก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้หรือแม่ก็ไปคิดถึงไปตดจ่ออยู่กับคำพูดของเขาซึ่งมันกลายเป็นอดีตไปแล้วถ้าเราหมั่นมา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 แต่ก่อนเห็นด้วยสตินะตอนหลังก็เห็นด้วยปัญญาลนะเห็นด้วยสติก็ทำให้รู้ตัวเห็นด้วยปัญญานะก็ทำให้หลุดพ้นได้นะจากความหลงอันที่เป็นรากเหง้ากนะ็คืออวิชชานะก็มันทาไปนะแนะ้มันรู้ตัวไปเรื่อยๆอยังไม่ต้องเร่งรีบว่านะเมื่อเมื่อไหร่จะรู้หรือเห็นความจริง